บำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับแสนมหากรับซึ่งพระสีอริยะเมตไตรก็อยู่ในพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาทิกกัจมีบารมีมากต้องบำเพ็ญบารมีเป็นเวลานานกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน